เริ่มต้นปีใหม่้ันสุมีเพืขอ้ปีเพื่อนตายตายได้ตายดีเดี๋ยวก่อ น, น, นปีนใหม่บางศพก็จะเอาไว้ข้ามปีเร่นี้ มันนีก็มีเพื่อนเพื่อนตายแต่ใครขาดเพื่อนตายแต่มาที่นี่หาง่ายเพื่อนตายหัวไม่มีเพื่อนเพื่อนตาย ม, มีบอกว่าไปทำไมบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนรวบรวมการเดือดร้อนรวบรวมการเกิดแต่เกิดอะไ นั่นถ้าชีวิตเราเป็นกระบวนการเหนีน้ในชีวิตประจําวันมนนันเรายากเลยเขาทำเพราะยังมองเป็นเรื่องของไกลตัวจนเกิดกับเรื่องคนอื่นแกคน อ, อื่นเจ็บตายเรื่องื่นไม่คิดอะไรเป็นคามจีิงพอมาอยู่ปุปับ ร่างกายจาชการใช้นานมันก็เสื่อมตามสภาพกระตั้ธรรมชาติอรวันหนึ่งเราก็อยู่ไม่ได้เราที่หมายถึงจิตหรือใจไม่เกี่ยวกับกาย ร, ราะกายยังไงมันตัวโลกนี้ประจัดการให้นั่นตัวจิตที่ไปตาม มันกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าเราก็มาเลือกดูแล้วว่าเป็นอะตาเราจะอยู่กับกบเป็นต่อความตายเป็นก็อย่างที่เราเป็นอยู่เป็นสาระวัตถุตัวเป็นก็จะอะไรมีเกิดจาความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็น คนทุกข์เกิดจากอะไรมันอยากได้อยามีอยากเป็นมันไม่ได้เป็นชนะ้นการเป็นคนทุกข์ระหว่ า, างสีวิตีอยู่ใกล้ตัวต่อกลายเป่ในชีวิตประจำันของเราที่เราเห็นอะไรมากๆนัครัาาง กับคนอื่นเราเห็นใสมากกว่ากันคําต่ว่าง่ายคือเห็นคนอื่นมากกว่ากันในชีวิตประจำวันวันหนึ่งแทบไม่เห็นเลยตัวเองเปดตัวตนที่แท้จริ ง, งตัวเราตัวื่นเป็นอย่างไงคนอื่นเห็นคนนั้นสูงคนนั้นต่ําคนนั้นดำคนนี้ขาวคนนี้ชั่วคนนี้ดี เ็นหมดไปเห็นแล้วมันได้อะไรมันเกี่ยวอะไรกับเราแบบประโยชน์อะไกับเราแล้วว่าเห็นแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ส่วนตัวเองจะ เ, เห็นตัวเองเบื้องต้นจะเห็นคของใหญ่ๆเห็นตาตัวเองไหมนั่นต่อไม่เห็น เพราะตาไม่ได้ที่ดูข้างนอกมันไม่เห็นตัวเองหูปากจมูกเพราะนั่นสิ่งหลักๆที่ต้องระมัดระวังเ ร, ร, รื่องสมรู้ร่วมกับดวงต่อตาเนี่ยพออะไรตอมันไม่เห็นตัวเองก็ติดเกิดมาถึงขนาดนี้ตั้งแต่เช้ามาถึงขนาดนี้ ถูเวรกลางคืนที่มันปิดเรียปิดถาวรมันจะไม่รับรู้อะไรข้างนอกเมื่อไม่รับรู้ข้างนอกปัสสาที่มันเกิดมันก็มีปัสสามันจะลบอยู่ข้างในเป็นเวลาที่พักในขณะกลางวันปัสสาที่มากระทบ พวกเราเน่ยเยอะแยะมากมานแต่ถ้า ร, ารู้ไม่ทันสิ่งนั้นั่นคือปัญหาของเราในชีวิตปันจุบันพ่อ ร, รู้ไม่ทันก็คือไม่มีสติกับสิ่งเหล่านี้หรือมีแต่มันน้อยกับสิ่งเหล่านี้ น, น้อยมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฝึกทุกวันที่พุทธเจ้าจําแล้วจําอิฐก็คือ ไม่แต่มไม่ประมาณหรือประมาณมันก็คือติตนี่แหละคนที่อยู่ปาักกาจจะจากเจคนสี่ประมาทกับคนที่ประมาณท่านเปรี่ยบให้ฟังว่าแรงก็บอกคนที่ประมาณก็นอนไม่ตายหรอนมีตายแล้วหรือดีหน่อยก็คือมันไม่ตายอะไรคล้ายๆว่าคนนอนหลับ เพราะว่าคนเนหลับคนตายมันคล้ายกันหรืออริยบทเดียวกันนอนเมื่อถึงเวลานั้นอะอริยบทที่นอนมาปรากฏกับเราไนวันจันทรนอนชั่วคราวหรือนอนถาวรก็ ค, คือตายก็เป็นใจลักก็คนไม่มีสติก็ถามว่าวันหนึ่งเรามีสติ คำวันหรือทางกลาวันกลงเช้าสายค่ำช่วงไหนที่เรามีสติช่วงไหนที่เราพวจะฝึกสติเพราะกลางคืนเราไม่ต้องพูดถึงกลางคืนหมายถึงว่าเวลานอนเป็นนอนหลับมันจะไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นอบทของคนเราคือยืนเดินนั่งนอน ไอ้สรงนีนไอย่า้วัไหนที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากที่สิอะไรวัดไหนที่พวกเราใช้กสแล้วไอ้วัไหนที่เป็นประโยชน์เพิ่มมีสติสะดวกในการมีสติเริ่มต้ น, นจากยืนยืนนานได้ไ ไม่ได้ค็ตอบคุรไมก็ตัดไปเรื่อประโยชน์จกันยืนเนี่น้อยยืนเดินไม่ก็เดินทั้งวันเดินบังผักฝังก็เยอะขึ้นมนยืนนั่งอันนี้นก็อยู่ได้นานนอนก็คือนอนยาววันนึงสิบสองชั่วโมง ป่าไว้แปดชั่วโมงแล้วเวลาหลับนองหรือสีชั่วโมงในชั่วโมงก็เดินหกโมงเย็นสี่ทุ่มก็ใช้เวลาคิดวัดรประจำวันกินข่าวปลาอาหา ร, รพวกป่าพุกปุ๋ยที่เหลือจริงๆที่จะทำได้อย่าง ไ, ไม่มี ตอนนั้นก็หลับคือไม่มีสติไม่มีสติกํากั บ, กบแต่มันหลบอยู่ข้างในเป็นผ า, างค์ค่ะจิตก็คือจิตจะมันกาะพวกกอชาติจิตเป็นพวกพวงเราลับตอนนั้นก็กุมไม่ได้นะตาไมีอยู่ก็กลมไม่ได้หัม่อยู่กลมไม่ได้ปากม่อยู่กลมไม่ได้เป็นลมเข้าลมออกอย่างเดียว อยู่ในโลกของความฝันไม่ใช่โลกของความจริงนะโลกของจริงกันหมดไปแล้วกลางวันจะเป็นโลกของความจริงที่เราผู้ชายหนุ่มความจริงแต่เราไม่อยอมรับความจริงนั้นเราปฏิเสธความจริงเรก็ไปด้าอะไรพอเตี๋ยวก็คืนอยู่กับโลกของความฝัน สารปฏิปันเกิดตื่นขึ้นมารู้ตัวเพราะว่าตื่นก็คือรู้ตัวคือมีสติปัสส า, าทั้งหมดมาทำหน้าที่เวทนามันก็ปรากฏไปเป็นสุขะทุกขะหรือเฉยเฉยมันก็ทําหน้าที่ของมันต่อเดตื่นขึ้นมาแล้บนบนอุจจาระปัสสาวะได้เกิดทำหน้าที่อะไรก็ได้ให้มันนอ น, น, น, น, า น, า น, นอยู่เป็นไม้นางนาสะอาดจริงๆแล้วก็ไม่ปรากฏ นี่คือธรรมชาติของก า, รรายทั้งสองนี้ที่เราจะมาดูว่าความเป็นจีบพวกเราเรได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้กลางวันไดาประโยชน์อะไรกลางคืนได้นระยนอะไรยืนเดินนั่งนอนเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้ก็แล้วแต่ทีนี้สิ่งเหล่านี้เราจะได้ ประโยชน์จากสิ่งเ้ล้านี้ก็ต่อเมื่อ ร, รูปร่างกายสังนการงเรามันอำหนวยคือมีความพร้อมถ้าเลยหกตือเลขหกไปแล้วยืนนานได้ไหมเดินนานได้ไหมนั่งนานได้ไหมหรือแต่เดียวคือ น, นอนนานนอนก็ไม่นานผวกพัก น, นก็อิ่มละ บคุณแกที่สองที่สามก็ตื่นแล้วไม่เหมือนเด็กเหมือนคนนมทั่วไปก็ตื่นขึ้นมาทำอะไรนอนไม่หกลับกลับว่าอยู่ความจรงิงก็อยู่ความจริงแต่ว่ามืดกลับไปว่าเราเพเชิญกับความมืดมมันไม่เจอแสงสว่าง จิตของเราเช่นเดียวกันถ้าเกิดปัสาวะแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรมันก็คือมืดะมันกระทบมันปัสาะไม่เข้าใจสุขเวทนาทุกขเวทนาเปรคาเวทนาก็คือจิตมืดนั่นเองอันนี้คือกระบวนการที่ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ประจําในชีวิตประจำวันนี้ความแตกต่างคือในดานจิตวิญารงกาย ตัควคราพร้อมก็มีความ宽广เราควรจะเตรียมตัวจะเรียนรู้ศึกษาเข้าใจว่าวันหนึ่งมันมีอะไรที่ยังเยืนที่ติดจิตของตัวเราเองไปได้ส่วนกายก็เป็นตามสภาพของเขากายคือดินน้ำไปลมทเราดวอากาศกาย เขาก็ตามสภาพของตนจุดที่เป็นนามคือจิตมันจะอยู่ยังไงเพราะวันหนึ่งเนี่ยจิตตื่นแล้เราไม่ตายก็หมือนก็ตายหรือคือนอนนั่นแหะจึงไป็นบทของคนตายเพียงแต่ว่าไม่ลมหายใจก็หล่อเลี้ยงธาตุดินมันจะสมดุล น้ำมันจึ ง, ง, งูมลงฝ่เหมือนยังให้ความอบอุ่นคือธาตุสังเครามีครบมันก็อยู่ได้เมือนธาตุสังเมันไม่เหลืออะไรเลยโดยว่าคือหลมออกไปแล้วของที่มีอยู่มันก็เริ่มเสื่อมแต่ถึงเวลาเสื่อมวันนั้นเรามองไม่เห็นแล้ว ประจิตไปจากของเรางเราจึงมองไม่เห็นสิ่งเหล่านีน้มองเห็นได้คนอื่นแต่เราเข้าใจมันเป็นเรื่องของคนอื่นมันจะคิดได้เป็นประโยชน์กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเขามันเกี่ยวกับเรามันก็เลยไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ไประจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ไประยชนากกาเดินน้ําไปลง ที่มีอยู่ซึ่งธรรมชาติโดยทั่วไปมนุษย์เราก็ใช้ดินน้ำไปหลนในทุกเรื่องอย่างบ้านเราเราก็มาจากดินน้ำไปลนไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีน้ำอินางไปหลนลองดูว่าบ้านไหนธาตุทั้งสี่ถ้ามันไม่ครบธาดดินคือสอนให้มันแข็งแข็งแข็งแขงธาตุน้ำ ถาดไปถ้าลมถ้าบ้านไหนขาดมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นบ้านครบไหมดินก็สิ่งของแข็งอาจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม้ปูนเกิดมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยจริงน้ําบ้านไหนไม่มีน้ําใช้เกิดอะไรขึ้นภายในบ้านไม่มีน้าใช้เลย เกิดอะไรขึ้นไฟเราจะเป็นแสงสว่างหรือคุณไฟให้ความอบอุ่นให้ความร้อนให้ความสุขไม่มีมจะเกิดอะไรขึ้นลมบ้านนราไม่มีลมอุดอัดขัดเครื อ, อนมีตันใช่ไหมนีม่ความสัมพันธ์้าดีน่าไฟลมแต่เรามองไม่เห็นคุณภาาของมัน เมื่อมันปลูกมันพังมันไม่ได้อยู่บ้านแล้วมันจะเห็นคุณคา่าแต่เมื่อตอนนี้ออกไปข้างนอกมันโดนแดดโดนลมโดนฝนเราจะเห็นคุณค่าของบ้านคุณค่าของวิหารศาลามือนเด็ดแ า, นาน้วเราโลกปตตาเดดฝนตกเราไาราม่อยู่ในบ้านเอานอกบ้าน เราก็โดนผนอย่างนี้ไ ป, ป็นลมพัดหนาวไม่อยู่ในบ้านไะอยู่ข้างนอกแล้วต้จงคิว่าโอ้จริงๆแล้นดินน้ำไฟลมมีอิทธิพลในชีวิตประจาวันเราไปอยู่ข้างนอกแต่เข้าไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยเรากลับไม่รู้ว่าตัวเราแล้วมันมีดินน้ำไฟลมแล้วก็สำคัญ เราอยู่ได้ก็พราดีนะาไปล้มเพราะอะไรเราจะมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้สัติตัวเดียวนี่เราก็เคยฝึกมาเคยหัดรู้เรื่อร่างกายเรียกว่าเด็กนมสาวผึชว้ชราประจับได้แั่นี้โดยภาพรวมจําทั้งแต่ภาพรวมในภาพละเอียดเราไม่มีอยู่ในหนวยความจำของเรา เพราะนั้นถ้าเราไม่ฝึกอยู่ในกระบวนการความคิดกับพูดการกระทำในชีวิตประจมันเราจะมงมเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คำว่าวิปัสสนาต้องการให้เห็นสิ่งเหล่านี้ภายในไม่ได้ภายนอกเรียกวิปัสสนาคือทั้งรู้แล้วก็เห็นไม่ใช่รู้อย่างเดียวแตไม่เห็น เชนบอกคนเคยรู้ได so we so ้ยินเ่าคุณเทียบไปอย่างนั้นวางเป็นอย่างนั้นกระหมนลาไปอย่างนั้นแต่ไม่เคยเห็นเรีรู้แต่ไม่เห็นแต่เราถ้าเราไปเห็นด้วยว่าเห็นกระเหมนเป็นยังไงลาเป็นยังไงเดินน้ำเป็นยังไงอันนี้คือเราไปเห็นเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำวิปัสจนาครบคือทั้งรู้แล้วก็เห็นด้วยเราจึงเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริง ความเป็นจริงของเขาแล้วเขาเขาเบเขาอยู่เขาเว็านางเราอยู่ลางเขาเราก็ต้องไปช่วยอะไรกับเขาด้วยวามจรเขาเช่นเดียวกันรู้ร่างกายสังขารเราเนี่ก็เช่นเดียกันถ้ามันวิปัสสนาจริงๆคือรู้แจ้งจริงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเราก็เข้าใจหลักการกัรทำงา น, นเขาเป็นอย่าง เขาประยุกของเขาดินกับดินน้ำ น, น้ำไดเป็ปนวันหนึ่งม่าเข้าอยู่ไม่ได้ท้ายปลาทางลมลมจุดเป็นที่สุดท้ายที่อยู่ร่างกายอยู่ไม่ได้เขาก็ไปตามธรรมชาติของเขาทุกคนเป็นอย่างนี้หมดไม่มีใครแตกตา่างส่วนความเชื่อนั้นมันก็เกี่ยวอ่อนจะเล่าว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่าศาสดา คือผู้ชี้ผู้ชี้แนะคนนั้นะแต่เป็นาศาสนาของศาสนาอื่นเขากประโยชน์เขาบืงบนนี่และแล้วเบื้องบนเขยจะเป็นผู้ตัดสินตัดสินว่ า, ช, วาชีวิตชีวิตของตัวเองเป็นยังไงอยู่ได้อยู่ไม่ได้จะอยู่ที่ดีหรืออยู่ที่ไม่ดีแด้แต่เบื้องบนเป็นตัวกํ า, าหนดเป็นศาสนาเองาศาสนาเราไม่ต้อง เราเรนั้นรวมเราบนบนอ่าให้ถือวเป็นสวรรค์ไปแล้วกันพื้นล่างใจเราเป็นนรกไปแล้วรันพรงมรดกอยู่ตรงกลางโลกของมนุษย์อยู่ตรงกลางถ้าถามว่าโลกทั้ง3ก็คือโลกบ้งบนโลกข้างล่างกับโลกที่อยู่ปัจจุบันในชีวิตปัจจุบันของพวกเรามันมีครบไหม รปลว่าทุกวันเนี่ยเราได้ขึ้นสวรรค์ไหมเราได้ตกโลกไหมเขาบอกว่าทุกวันมันก็จะเห็นมันจะเห็นช้าเุ็อย่างนั้นถามว่าในปัจจุบันธรรมวิดีโอนี้เวลาในขณะ น, นี้จิตของของเราคือความคิดกับพูดการทำเป็นที่มาของนรกหรือว่าสวรรค์ เราเป็นในขั้วสวรรค์ก็คิดดีูฏดีทําดีในขณะนั้นมันเป็นสวรรค์นในขณะท้าเราคิดครามที่พูดกความดีทำความดีมันเป็นนรกแล้วนรกสวรรค์มันอยู่ตรงนี้เห็นเห็นกันอยู่นี้เห็นทุกวันทีนี้พวกเราประเด็นของเราไม่เห็นไม่เห็นว่าเป็นนรกเมื่อห็นวเป็นสวรรค์เราก็จะไปรอให้ตายแล้วถึงไปสวรรค์ ตาแล้วถึงไปในรกแต่มันเกิดซิ่งจริงๆความนึกว่างแกมันรกเกิดอะไรเกิดทวั น, วนไ ม, ม่วันไหนที่ไม่เป็นนรกไม่มีวอะไรนที่มีสวรรค์ปฏิพันธ์ย า, ากปฏิพานธาน์คือทำให้สิ่งเราที่มันหนักมันจะตรงการข้ามหดทั่วเนี่ยเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเราจะไม่ไปนรกจะไม่ไปสวรรค์มาดาบ ให้มันหมดได้มันซิกเป็นเรื่องที่ยิ่งให่มากมากวันเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้จะมาทำเป็นเล่นเป็นหัวไม่ได้จะมาทำเป็นเยอะยะเยอะยะมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของหัวมไม่ใช่เพื่อนเล็กเราต้องจริงจังอย่างน้อยที่สุดก็คือจริงจังมากกว่านี้หน่อยไม่ใช่อยอะไปวันวัน การเืนดไม่ต้องทําอะไรก็อยู่กันเต็มที่กับมีเวลาสิบสองชั่วโมงมีเวลาไปขอตัวเองคือเป็นบุญเป็นบาปเป็นยังขอตัวเองมันกี่ชั่วโมงกี่นาทีเองในเวลากวันแปลว่าอะไรเราได้ประโยชน์จากการเกิดแก่เจ็บตายจรวันหนึ่งเนะี่ยมันกี่ชั่วโมงไม่ได้อะไรเล ย, ยป่อยไปแล้วเลยไว้ให้ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็หับ พอถึงหลักมาต้องมาพูดถึงแล้วเรื่งบุญเรื่องบาปดีหน่อยมันมันไม่เกิดบุญไม่เกิดบาปกันเองความดีของมันไม่ใช่มาที่ทําบุญได้ทําบาปได้แต่มันเสียละเสียโอกาสที่จะทําบุญเพราะนั้นคนที่ลัางแกจิตออกจากร่างแล้วหรหมดบุญไปไม่ใช่หมดบุญอย่างเดียวแล้วหมดบาปด้วยคือไม่มีโอกาสที่จะทำบุญทาบาปเพราะว่า เครื่องหมายเครื่องมือในการทาบุญทาบาปคือร่างกายมันไม่มีแล้วหรือแต่นามคือจิตก็อยู่กันโลกก็ฝันอไปเสวยหลังจากนั้นไปเสวยแล้วคำว่าสวยคือทุกวันเราก็เสวยอยู่แล้วคือเสวยอารมณ์อารมณ์คืออะไรก็คือเวทนานี่เองสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นการนานี่คืออารมณ์ ที่เราจะต้องเสวยทุกคนต้องมีแต่เราไม่รู้ว่าในขนาดนี้เราสวยอะไรสวยสุขะสุขะหรือว่าเฉยๆที่ไม่รู้ อ, อะไรสติไอความไม่รู้โดยประการทั้งปวงนี่แหละท่านยี่เรียกว่าอวิชชาเราไม่มีความรู้ในสิ่งเหล่านี้คือไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าอวิชชา เราก็ทำซ้ำําๆอยูอย่างนี้ทำซ้ำหมายถึงว่าอย่างคิดซ้ําเหมือนเดิมพูดซ้ำเหมือนเดิมทำซ้ำเหมือนเดิมพวดไปเรียนมาอย่างนี้เดยววัตะดูบนอาจจะประเด็ น, น ห, นหาน ล, ลายๆไปเรื่อยในอ่างเราไปแก้กันนี่ไม่ได้และที่สําคัญคือให้สามารถทํามสนินดับลงแม้ชั่วคราวเป็นชั่วครั้งชั่วคราวให้มันดับเดีนื้อทให้เห็นความดับเพาะสิ่งเหลนี้เป็นชั่วคราว ก็ยังไม่เกิดกับใจเราเพราะว่าใจเราขาดซึ่งบอนนี้เมื่อรู้ว่ามันขาดก็คุณจะทําให้มันเพิ่มมีเงินอยู่ร้อยบาทมาขาดไปหายไปสิบบาทถึงใช้ไปแล้วเหลือเก้าสิบบาทมา่นกไปเราขาดไปพอทำมันเต็มร้อยสิบาทควรจะหาเพิ่มไหมถ้าหาไม่หาเพิ่มมันก็จะหมดไปเรื่อยๆเก้าสิบแปดสิบเจ็ลงไปเรื่อยเหมือนอายุเรา มันก็จะสั้นลงสั้นลงเราในเพิ่มจนสุดท้ายหมดเครื่องหมดอายุปิดตายเราจะไม่ได้อะไรแต่ที่สาคัญคือที่หมดไปหมดไปนะขาดทุนไม่มีทุนมีรอที่จะขอสมาัหจากิ น, นใจใจงหรือใช้จ่ายนานก็คือบุญกุศลนนะเพราะฉะนั้นต้นทุนที่แท้จริงของเราคือบุญกุศลนี่แหละคือต้นทุน ยี่ป hmm. ัสสาวะนก็น่าอื่นถ้าเป็นบาปหรืออกุศลหนักเข้าไปอีกเสียโอกาสเสียเวลาเพราะฉะนั้นโลกของคนโลกของมนุษย์โลกนี้จึงเป็นเพื่บัตรแผ่นเป็นที่มาสร้างบุญญาบารนี้กังตัวเองแต่ถ้าเราไม่ทําเลยร้วใครจะทําให้เราเสียโอกาสเสียเวลาเสียวันเสียเดือนเสียปีเหตุหนักปกว่านั้นคือหมดปีแล้วก็นับเอา ได้ล้วหนึ่งปีก็ไม่รู้ว่าได้อะไรในหนึ่งปีผ่ามาได้ เ, เอาเอาแค่หนึ่งวันหนึ่งวันคือกลาวันกลางคืนเราได้อะไรตัวเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าได้กับเสียอันไหนมากกว่ากันพูดไงคือบุญกับบาปนี่แหละอันไหนมันมากกว่ากันเรายังไม่รู้เลยแต่ส่วนใหแล้ว มันเสียมหากว่าดีมันก็ไม่สมดุลดังนันการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพเพื่อนคือเน้นย้ทำทําฝุดคิดสิ่งเหล่านี้ให้เยอะๆให้มีสติอยู่กับตัวเยอะๆใสติมาลองที่ตัวเราเองจะไปลองทีค่คนอื่นคนอื่นก็คือแค่ทางผ่านแต่หลักใจใจความคือตัวเราเองพยายามให้รู้เข้าถันตัวเองเป็นมากที่สุด ในชื่อตปัจจุบันเราก็จะเป็นเสียชาติเกิดเราจะไรับประโยชน์จากการเกิดเกิเจ็บตายส่วนเรื่องตายนะไม่ต้องเป็นห่วงมันมาแน่นอนแต่มาแล้วถ้าเราจะมีความไม่พร้อมก็ไปกลัวเพราะเราไม่มีความพร้อมจึงกลายเป็นภัยคือมรณะภัยภัยอย่างความตายในสิ่ี่น่ากลัวไม่ต้องไปกลัวถ้ า, ามีความดีพร้อม พร้อมที่จะอยู่พอมดีไปเสมอที่อย่างนี้ก็ต้องไปกลัวถ้าเราดีพอถามว่าเรามีความดีพออย่างเราเท่านั้นทีได้คตอบคนอื่นตอบเราไม่ได้เพราะฉะนั้นอายุอาวุโของเราแต่ละคนแต่และท่านผมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันรวมร่างกายสังขารมันไม่เป็นจะแข็งแรงเพิ่มเติมมากไบกว่านี้ อันนี้แต่จะลดลงลดลงแด่งแตมันไม่ควรจะลดลงคือความดีคกรจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นควจะเป็นจงเกินข้ามส่วนรูปกายสังขารมันก็พมดสภาพไปโดยเปริอยแต่ทายก็ช่วยเธอเตยไม่ได้หลายคนหลายท่านติดเตียงอันนี้คืออนาคตทำอะไรไม่ได้นะหลังจากนั้นคิดได้อยากจะทาบุญไม่ได้ อยากจะไปวัดก็ไม่ได้จะลกขึ้นนัน่งภาวนาก็ไม่ได้จะมาเดินจูงก็ไม่ได้นลกก็หมดบุญโดยสาภาพหรือแต่ใจเท่านั้นถ้าใจไม่เคยฝึกเลยมันยากนะเพราะร่ า, างกายมันใช้ไม่ได้แล้วมันสั่งไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วก็เลยแต่จิตหรือแต่ใจเท่านั้นถ้าไม่เคยฝึกเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นความทุกขเวทนาทางจิตทางใจ มันจะเป็นอย่างไรแลัพจุเราถือว่าโชคดีอย่างน้อยที่สุดคือมาได้ยินได้ฟังหลักการในการดูแลชีวิตทุกครั้งทุกวันพระอย่างไรก็มีคติมีข้อคิดเป็นเบื้องตน้นอันนประเจปเทวัติ บ, าบ้างก็ถือว่ายังดีกว่าเมื่อวันทันมาถึงช่วยตัวเองไม่ได้ เงินกองที่หามาทั้งชีวิตเนี่จะเอามาใช้บนเตียงกันนั้นเลยบอกคงอยู่ได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นเดือนเดือนไปใช้เงินบนลงพยาบาลที่โรงาบาลเป็นเดือนเดือนตะวันกุมภาพันแต่นั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตแข็งแรงในรูปกายของเราต้ก็อ้งประหยัดตัวไปหาความดีกับตัวเองก็ตัวเองทำมันเยอะ เรากรับประโยชน์จากการเกิดแต่จะตายในคร้นี้อันนี้คือสาระธรร ม, มประมาบเราเช้าวันนี้อย่าลืมอุทิศเฉพาะเจ้าจงความดีที่พวกเราทาทุกครั้งให้กับบรรพบุรุษของเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายคอผู้คนทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราต้องรได้กระทํตามเป็นในครั้งนี้